ความรักทางเน็ตเกิดขึ้นได้อย่างไรถามแปลกใจทำไมแค่คบกันทางเน็ตถึงรักได้ครับทั้งที่หลายคนไม่เคยเจอหน้ากันอันนี้เป็นเพราะบุเคลนิวาสหรือเพราะรูปแบบการครบหาทางเน็ตเป็นไปได้ลึกซึ้งกว่ารูปแบบการทำความรู้จักมากคุ้นแบบเห็นหน้าเห็นตากัน ตอบต้องดูเป็นกรณีไปครับบางคู่อาจเกิดจากบุพเพส น, นิวาสจริงบางคู่ก็อาจเป็นแค่เหตุปัจจัยทางเน็ตมันเอื้อให้เกิดความรู้สึกจับใจถ้าเป็นบุพเพส น, นิวาสหมายถึงเคยอยู่ร่วมกันและชาตินี้มาพบแล้วอยากถ้อยทีท้อยอาศัยถูกใจอยากเกือ้อกูลกันเกิดความผูกพันคบหาจริงจัง แล้วลงเอยที่การมาอยู่ครองเรือนอยังมีความสุขข้อนี้จะไม่มีความแตกต่างระหว่างการคบหาในเน็ตหรือนอกเน็ตพูดง่ายๆคืออินเทอร์เน็ตเป็นเพียงช่องทางให้คู่เก่ามาพบกันเท่านั้นไม่ต่างจากที่คู่เก่าพบกันเพราะบ้านอยู่ใกล้หรือเพราะบังเอิญไปวิ่งในสวนสาธารณะหรือเพราะมาเจอในงานแต่งงานเพื่อน ถ้าไม่ใช่บุเพศนิวาสอารวาดถึงที่สุดก็อาจออกทำนองที่ว่าคุยกันทางเน็ตแล้วปิ้งยิ้มยามชุ่มฉ่ำหัวใจพองโตไปทั้งวันแต่พอเจอกันจริงๆกลับยิ้มไม่ออกหัวใจห่อเหี่ยวแบบสูบลมอย่างไรก็ไม่ขึ้นคบไปคบมาเดี๋ยวๆก็เบื่อและกลายเป็นเพื่อนทางเน็ตกันต่อแบบไม่มีการรอสัมพันธ์ขั้นอื่นอีกอย่างนี้ประกันได้ว่า คู่นั้นเจอโรคหลงเพอโดยอาศัยอินเทอร์เน็ตเป็นพาหะแพร่เชื้อแน่แล้วอันนี้เราก็ต้องมาทำความเข้าใจกันดีๆว่ารูปแบบความสัมพันธ์ผ่านตัวอักษรมันมีฤทธิ์มาอมเมาเราได้อย่างไรเมื่อทำความเข้าใจอย่างดีก็จะมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอและไม่ต้องเสียเวลาก่อร่างสร้างรักจอมปลอมให้เนิ่นนานเกินไป ความเข้าใจข้อแรกคือไม่มีอะไรสะเทือนอารมณ์ได้แรงกว่าจินตนาการของเราเองสิ่งใดก่อจินตนาการขึ้นในหัวคุณได้เข้มข้นและต่อเนื่องสิ่งนั้นชนะใจคุณไปทั้งหมดหรือเกือบหมดสิ้นแล้วการที่คุณเริ่มรู้จักใครสักคนแบบไม่รู้หน้าแต่รู้ความคิดของเขามันทำให้คุณก้าวข้ามขั้นตอนการตัดสินกันอย่างผิวเผินด้วยตาเปล่า เดินทะลุเข้าไปถึงเนื้อแท้ทางจิตใจของอีกฝ่ายโดยตรงภาษาของใครเป็นอย่างไรหน้าตาในจินตนาการของเขาก็เป็นไปตามนั้นนี่เป็นหลักกรรมวิบากดีๆนี่เองถ้าพูดดีพูดฉลาดพูดคมพูดให้คนฟังเป็นสุขผลจะเป็นใบหน้าโสภาหน้าพิสมัยแม้วิบากยังไม่ปรากฏชัดๆเหมือนเกิดใหม่ในชาติหน้า แต่ก็แจ่มจ้าในมโนทวารของคนฟังหรือคนอ่านอยู่เดียวนี้แล้วถ้าคุณติดกับจินตนาการของตัวเองก็เท่ากับคุณหลงรักเทวดานางฟ้าบนวิมานในอากาศซึ่งอาจจะไม่เคยมีตัวตนตามฝันเลยก็ได้ความเข้าใจข้อที่สองคนเราชอบการค้นพบหน้าระทึก การเริ่มต้นสื่อสารพ่านเน็ตมีอะไรให้ลุ้นเยอะตัวตนที่แท้จริงจะเหมือนตัวอักษรที่เขาระบายให้เห็นไหมหน้าตาของเขาจะหล่อหรือสวยกว่าที่คุณคิดแค่ไหนน้ำเสียงจะสะกดให้อยากนิ่งฟังเพียงใดฐานะทางบ้านรวยหรือจนกว่ากันการลุ้นนั่นหละครับทำให้ใจคุณจดจ่อกับเขาได้เรื่อยๆ ซึ่งการจดจอ่อกับใครอยู่เรื่อยๆก็คืออาการเดียวกับการคลุ้นคิดหรือเฝ้าฝันถึงคนรักนั่นเองเมื่อใจใครจดจอ่อกับใครจนรู้สึกถึงแรงดึงดูดระหว่างกันแรงดึงดูดนั้นก็ให้รถเป็นสุขที่น่าพิศวงต่างฝ่ายต่างจะอุปาทานไปว่ารักกันอย่างเหลือล้นก็เพราะความสุขซึ่งเกิดจากใจทยานไปค้นหาให้ถึงที่สุดนั่นเอง ยิ่งคบกันแบบไม่พบเจอนานเท่าไรความผูกพันบนรากฐานของการรอค้นพบขั้นสุดท้ายยิ่งเหนียวแน่นมากขึ้นเท่านั้นความเข้าใจข้อที่สซึ่งไม่ใช่ข้อสุดท้ายแต่นำมากล่าวไว้ท้ายสุดในที่นี้เมื่อใดกัาแพทิฏฐิตาํา คนเราจะคบกันด้วยความรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองการคุยทางเน็ตจะทำให้คุณรู้สึกว่าต้องระวังตัวน้อยลงถ้าไม่ถูกใจก็แค่เลิกคุยกันแตกต่างจากการครบหาแบบเห็นหน้าที่ถ้าทอดสนิทแล้วตัดสัมพันธ์ยากกว่ากันเยอะเรื่องผลประโยชน์ทางการเงินหรือความหวังประโยชน์ทางเพศนั้นถ้าจะมี ก็ถูกยืดเวลาให้ห่างออกไปความสบายใจกับการเปิดอกคุยได้ทุกเรื่องนี่แหละตัวที่ทำให้สำคัญว่าเป็นความรักได้เหนือสิ่งอื่นใดเพราะคนส่วนใหญ่หวังมากที่สุดคือเจอใครสักคนที่คุยถูกคอทำให้หายเหงาแถมไม่ต้องคิดมากกับสัมพันธภาพใดๆไม่มีข้อผูกมัดแน่นหนาเพียงด้วยตัวอักษร ด้เห็นว่าเฉพาะคุณสมบัติหลักๆของการสื่อสารผ่านเน็ตดังกล่าวมาก็เพียงพอจะถักทอให้เกิดความผูกพันและสายใยความรู้สึกดีๆไม่มีจำกัดได้ยินจนเบื่อแล้วว่าพบรักข้ามโลกยอมโยกย้ายถิ่นฐานยอมเรียนภาษาของแฟนก็เพียงเพราะพบรักทางอินเทอร์เนต็ตแต่ถ้าอุปสรรคมากนักผมไม่ให้คะแนนว่าเคยทำบุญร่วมกันมาแน่นนานัก แต่อาจต่างฝ่ายต่างเป็นคนมีบุญและสามารถเข้ากันได้โดยธาตุนิสัยสรุปความรู้สึกอบอุ่นใจทางเน็ตก็ดีความวาบหวามกับคำพูดเล็กๆน้อยๆที่แสดงความอาทรผ่านเน็ตก็ดีสเสน่ห์หน้าติดหลงของคนที่คุณไม่รู้ว่าตัวจริงเป็นอย่างไรก็ดีเหล่านี้ไม่จาเป็นต้องอาศัยบุพเพสนิวาส ฉนั้นอย่าแปลกใจหากเจอตัวจริงแล้วคุณไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาเหมือนกับที่เคยรู้สึกยามสนทนากันผ่านเน็ตเพราะในชาติใกล้เขากับคุณอาจไม่ร่วมบุญมากพอจะทำให้รู้สึกดียามเคียงกันอินเทอร์เน็ตอาจเปรียบเหมือนชาติก่อนทางอารมณ์เป็นทุนให้คุณคบกันด้วยความเข้าอกเข้าใจง่ายกว่ารูปแบบการครบหาปกติแต่ไม่เป็นประกันว่า การคบหาปกติจะรักษาความรู้สึกดีๆเมื่อครั้งยังคุยกันทางเน็ตไว้ได้และสำหรับท่านสุภาพสตรีเดี๋ยวนี้เท่าที่ทราบมีเยอะนะครับผู้ชายปากหวานทางเน็ตเพื่อหวังผลทางเพศท่าเดียวคดีอาชญากรรมทางเพศที่มีชนวนมาจากเน็ตนั้นสืบๆแล้วพวกเสือหิว มักเห็นว่าเป็นช่องทางที่ลงทุนต่ำแถมไม่ต้องประกวดโชมเป็นที่รู้จักของญ่านมิตรฝ่ายสาวขอเพียงจิตวิทยาดีล่อลวงมาพบกันสองต่อสองได้โอกาสจะมอมยาหรือหลอกพาไปไหนต่อไหนก็สะดวกพอเกิดคดีสะเทือนขวัญก็สืบหาตัวยากด้วยประการชนนี้ที่สุดคืออย่าเชื่อใจใครง่าย การแฝงตัวอยู่ในเน็ตของโทรชนนั้นทำได้ง่ายและถ้าทำเป็นอาชีพแล้วย่อมเกิดทักษะความชำนาญความแยบยนต์คุณรู้ซะที่ไหนว่าระหว่างปากหวานกับคุณเขาปากหวานกับอีกคนพร้อมกันฉะนั้นต่อให้เคยโทรคุยกันแล้วเหมือนไว้ใจกันได้แล้วนัดครั้งแรกก็ควรพาเพื่อนหรือพี่น้องไปด้วยกันเยอะ โอกาสเกิดคดีล้อลวงอนาจารจะได้ลดน้อยลงอย่างน้อยก็มีคนเห็นหน้าเห็นตาเขาถนัดถนีจะลงมือคงยั้งคิดบ้างครับ